เช้านะเมื่อเราทำวัดเราสาธยายมาถึงจุดหนึ่งเราก็จะเจอคำถามซึ่งเหมือเป็นการถามตัวเองว่าทำไนาการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิงนี้จะพึงปรากฏชัดกับเราได้นะถ้าเป็นคารวาดนะก็ก็จะกล่าวประโยคหนึ่งนะว่าจากทำในใจอยู่ จาปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกําลังคําว่าตามสติกําลังเนี่ยภาษาบาลีเขาใช้ว่ายะถาสติยะถาพลังพวกเราก็อาจจะสวดไปโดยที่ไม่ได้สังเกตอะไรนะจะมามีคํานึงที่คลา้คลายคลากับคำนี้คือคําว่ายถากรรมนะยะถากรรมแต่ฟังดูแล้วเนี่ยนะ ความหมายเนี่ยในภาษาไทยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะยะถากรรมความหมายมันคล้ายๆกับว่าตามบุญตามกรรมนะที่จริงก็ตามก็แปลถูกนะยะถาแปลว่าตามนะยะถากรรมคือตามกรรมนะคำนวนไทยแล้วก็เติมว่าตามบุญเข้าไปด้วยนะตามบุญตามกรรมแต่ในความรู้สึกคนทั่วไปเนี่ยตามบุญตามกรรมก็คือว่าก็แล้วแต่แล้วแต่มันจะเป็นไป เช่นเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยก็บางคนก็จะคิดว่าเออก็ปล่อยไปตามยถากรรมก็แล้วกันนะมันต้องไปรักษาอะไรก็คือปล่อยให้มันเป็นไปาตามบุญตามกรรมนะบุญในที่นี้คงหมายถึงบุญที่ทําในอดีตนะและกรรมในที่นี้ก็คือกรรมในอดีตหมายความว่าถ้าในอดีตซึ่งอาจจะหมายถึงอดีตชาติเราทํากรรมดีไว้ เราทําบุญไว้เนี่ยเดี๋ยวบุญกรรมนี้ก็จะช่วยให้เรารอดแต่ถ้าเกิดว่าเคยทํากรรมไม่ดีไว้บุญก็ไม่ได้สร้างเนี่ยก็คงไม่รอดนะอันนี้เป็นความเข้าใจว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่ยคงไม่มีประโยชน์หรอกปล่อยไปตามบุญตามกรรมนีอันนี้คือความหมายของคำ ว, ว่ายะถากรรมที่เรามักจะใช้กันในภาษาไทยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะ ไอ้ค ว, ว่ายะถากรรมเนี่ยมันก็ความหมายเนี่ยคล้ายๆกับนะยะาสติยะาพลังเนี่ยนะก็คือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะปล่อยไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรงอมืองอเท้านะยะถากรรมความหมายจริงๆก็คือว่าเป็นไปตามกรรมนะแต่กรรมในที่นี้แปลว่าการกระทำ หมายความว่าสิ่งต่างเนี่ยนะมันจะเจริญหรือเสื่อมจะขึ้นหรือลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเรานะมันขึ้นอยู่ว่าเราจะไปเกี่ยวข้องสร้างเหตุปัจจัยอย่างไรนะถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องที่ดีมันก็ทำให้เกิดความเจริญนะถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยที่มันไม่ดี มันก็เกิดเป็นความเสื่อมคำว่ายะถากรรมเนี่ยจริงๆมันมันไม่ได้แปลว่าปล่อยไปตามบุญตามกรรมนะมันหมายถึงว่าลงมือกระทําลงมือกระทําและผลมันก็จะเกิดขึ้นนะขึ้นอยู่กับว่าเราลงมือกระทําแบบไหนหรือลงมือทําแค่ไหนนะมันตรงข้ามกับคําว่า ปล่อยไปตามบุญตามกรรมนะตามบุญตามกรรมคือก็คือมันก็ลอยไปตามกระแสน้ำสุดแท้แต่ว่ากระแสน้ามันจะพาไปไหนแต่ถ้าคำว่ายถากรรมในความหมายจริงๆเนี่ยมันแปลว่าต้องลงมือทำนะแล้วกรรมนั่นแหละหรือการกระทานั่นแหละนะก็จะส่งผลนะจะเป็นบวกหรือลบนะ จะเจริญหรือเสื่อมจะสําเร็จหรือล้มเหลวก็แล้วแต่การกระทํานั้นๆซึ่งที่จริงก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่างๆด้วยนะไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราอย่างเดียวหมายความว่าเราอาจจะทําความเพียรเต็มที่แล้วแต่เหตุปัจจัยมันไม่เอือ้อเจ็บป่วยแล้วก็พยายามดูแลรักษาตัวเองนะแต่ว่ามันเป็นโรคที่รักษาไม่หายหรือยังไม่มีเทคโนโลยียังไม่มียายใดนะที่จะมาช่วย เดี๋ยว อ, อย่ารักษาให้นะไม่ว่าทำอย่างไรเนะี่ยมันก็ก็คงไม่ช่วยทำให้หายเจ็บหายป่วยได้ก็จะป่วยไปเรื่อยเรือยอจะถึงตายก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ได้มีการลงมือทำทานที่เรานะได้ตั้งปณิธานนะทุกเช้าวเนี่ย จักทำในใจอยู่จักปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกําลังนะอันนี้มันก็ความหมายเดียวกันกับนะตามยถากรรมนะแต่ไม่ใช่ความหมายในภาษาไทยนะตามสติกําลังหรือตามความเพียรที่ได้ลงไปนะนะกรรมที่ดีก็คือความเพียรนั่นแหละ กรรมที่ไม่ดีนะก็คือความขี้เกียจ ร, รวมถึงการทำชั่วด้วยนะั้นทาอะไรเนี่ยนะเราก็ต้องพึ่งความเพียรของเรานะและความเพียรนั่นแหละก็จะส่งผลแต่ว่าในขณะที่ทําความเพียรก็อย่าพึ่งไปสนใจกับผลมากนะให้ทําตามกาลังนะทาตามกาลังที่เราได้ลงเอาไว้ ผลมันจะเป็นอย่างไรนะมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราทำเราทำให้ดีที่สุดไม่ว่าทำอะไรอยู่ก็ตามก็ให้มันเป็นการกระทาที่ดีถูกศีลถูกธรรมแต่แค่นั้นไม่พอนะถึงแม้จะเป็นการกระทาที่ถูกศีลถูกธรรมมันต้องเอาใจใส่ลงไปในสิ่งที่ทาอย่างเต็มที่เรียกว่าใจเต็มร้อย อย่าแบ่งอย่าแบ่งครึ่งขึ้นกลางๆนะส่วนใหญ่นี่ทำแบบครึ่งๆกลางๆหมายความว่าใจเนี่ยมันไม่ได้เต็มร้อยใจก็อยู่กับงานที่ทำบ้างอาจจะ 50-60 บหกใจละใจก็ไปจดจ่ออยู่ที่ผลหรือผลลัพธ์นะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะมันจะดีไหมมันจะสวยไหมมันจะสำเร็จไหม อันนี้ว่าไม่ได้ทำด้วยใจเต็มร้อยนะทำด้วยใจแบแบคบรึ่งๆกลางกนะคือคือ0หรือว่า30 70 30อยู่ที่การกระทำอีก70ไปอยู่ที่ผลซึ่งยังไม่ออกมานะ น, นี่มันไม่ใช่วิธีการปฏิบัตินะของชาวพุทธนะให้มีชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยนะเคยไปฝึกวาด ตัวอักษรด้วยผู้กันจีนเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วนี้ท่านติดนันทันมาเมืองไทยแล้วก็มีการจัดนิทรรศการแสดงภาพวาดด้วยผู้กันจีนของท่านนะที่กรุงเทพที่จริงไม่ใช่เป็นภาพวาดทั่วไปนะเป็นภาพวาดตัวอักษรโดยใช้ผู้กันจีนซึ่งท่าน เขียนหรือวาดด้สวยงามนะที่วัดต่ามหาวันก็มีอยู่ภาพหนึ่งท่านมอบให้ตอนที่ไปเยี่ยมท่านที่หมู่บ้านพรมเนาะโคราชภาพวาดนั้นเนี่ยบางบางภาพก็เป็นตัวอักษรอย่างเดียวแต่บางภาพก็มีวงกลมนะซึ่งกลมสวยงามมากาชายหนุ่มคนนี้ก็ไปขอลองนะฝึกวาดภาพ วาดตัวอักษร้วยผู้กันจีนแต่เขาตั้งใจมากนะก็ตั้งใจอยากจะให้สวยเหมือนกับที่ท่านติดนัดทันหรือว่าหลวงปู่เนี่ยได้ทำเอาไว้ให้ความตั้งใจมากในะจงกระทั่งเวลาวาดวงกลมเนี่ยนะก็เกร็งนะจนมือสั่นเลยพระเนี่ยพระที่เป็นลูกศิษย์นะหลวงปู่เนี่ยนัดถันเนี่ย ก็เลยพูดกับโยมคนนี้ว่าอย่าไปสนใจภาพสุดท้ายนะอย่าไปสนใจภาพสุดท้ายแล้วก็บอกว่าสิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่ที่ผลลัพธ์นะสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์สิ่งสำคัญอยู่ที่กระบวนการก็คือว่าให้กำหนดความตั้งใจเนี่ยอยู่กับปลายผู้กันนะอยู่กับเส้นที่กำลังวาดนะ คืออยู่กับปัจจุบันท่าชายหนุ่มก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะท่านก็เลยที่แรกก็เข้าใจอ๋ออันนี้คงเป็นเคล็ดลับนะในการทำให้ภาพสวยงามพระท่านก็บ่อย ก, ก็ว่าเนี่ย่สงสำคัญไม่ได้ที่ผลลัพธ์นะ่งสำคัญอยู่ที่ว่าไอ้ตอนที่กำลังวาดเนี่ยให้ใจเนี่ยอยู่กับ ผู้กันให้ใจอยู่กับภาพที่กําลังวาดนะอันนี้สําคัญที่สุดคาําอธิบายแบบนี้เนี่ยสำหรับคนสมัยใหม่เนี่ยเข้าใจยากนะบางคนเราเนี่ยสมัยนี้จะทําอะไรเนี่ยก็จะคิดถึงผลลัพธ์แล้วว่ามันจ่อกมาเป็นยังไงไอตอนที่ลงมือทำเนี่ยใจก็พววงนะว่ามันจ่อกมาดีไหมมันจ่อกมาสวยไหมจะออกมาสําสเร็จไหม แม้แต่เวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็เดินตรงกลมไปใจก็นึกว่าเออเมื่อไหร่จะสงบสักทีนะนะเมื่อไหร่จะได้เห็นธรรมนะรู้รูปนามอย่างคนอื่นหรืออย่างครูบาอาจารย์บ้างอันนี้เราใจเนี่ยไม่ได้อยู่กับปัจจุบนันใจมันไปอยู่กับผลลัพธ์แล้วนะพอบอกว่าอ่ะวางนะวางไว้ก่อนนะอย่าไปสนใจผลลัพธ์อย่าไปสนใจความสงบนะ ให้มาอยู่ให้ใจเนี่ยมาอยู่กับการปฏิบัติหรือให้ใจมาอยู่กับการกระทำอย่าไปสนใจผลลัพธ์เนี่ยคนก็จะแย้งขึ้นมาจนที่ว่าไม่สนใจแล้วจะทำไปทําไมนะไอตอนที่กําลังทําก็สําคัญนะตอนที่กําลังทำเนี่ยไม่ว่าเราจะวาดรูปถ้าเพียงแค่เราเนี่ยเอาใจเต็มร้อยเนี่ยนะมาอยู่กับปลายพู่กันนะอยู่กับภาพที่กําลังวาดเนี่ย ถ้าใจใส่ลงไปเต็มร้อยเนี่ยนะหรือว่าถ้าเป็นใจที่นิ่งใจที่สงบนะผ้ามันออกมาสวยเองนะแต่ถ้าใจนี่พะวงนะคิดนอนคิดนี่หรือคิดแต่ว่าจะให้ผลงานออกมาสวยจะทําให้ลูกออกมางามนะอันนี้แหละใจมันไ ม, ม, นไม่มันไม่เต็มร้อยแล้วใจไม่นิ่งพอนะเมื่อใจไม่นิ่งพอเนี่ยผลมันจะออกมาดีได้อย่างไร นะการปฏิบัติก็เหมือนกันนะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยแน่นอนเรามาที่วัดป่าสุขโตก็เพราะว่านะอยากจะฝึกจิตให้สงบนะอยากจะฝึกจิตให้นะมีสตินะแต่ว่าพอลงมือเดินนะพอลงมืออ่าพอยกมือสร้างจังหวะนี้อ่ะวางไว้ก่อนนะไอ้ความอยาก ไ ด, ได้นอนได้นี่หรือว่าวัตถุประสงค์ของการมาวางเอาไว้ก่อนนะให้ใจเนี่ยมาอยู่กับสิ่งที่ทำก็คือว่าให้มีความรู้สึกตัวให้มีสติอยู่กับการเดินมีสติอยู่กการยกมือนะแล้วก็ใจเนี่ยเต็มร้อยแต่อย่าเกินร้อยนะเกินร้อยคือไปตั้งใจมากนะตั้งใจมากจนไปเพ่งที่มือไปเพ่งที่เท้าทำไมถึงทำอย่างนั้น ก็เพาอยากให้ใจสงบนะพ อ, อยาย ใ, ใจสงบเนี่ยก็เลยต้องบังคับจิตไม่คิดด้วยการไปเพ่งนะที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือบางทีก็ไปจ้องไปจ้องมองจิตนะว่ามันจะคิดมันจะปรุงเมื่อไรถ้ามันคิดถ้ามันมีความคิดออกมาที่ช้ก็จะตบปบช้าก็จะไปกดไปข่มมันอันนี้ทำไปด้วยอำนาจของความอยากนะ คืออยากสงบและพออยากสงบนะก็เลยไม่ชอบความฟุ้งซ่านไม่ชอบความฟุ้งซ่านพอมีความฟุ้งซ่านก็จะไม่พอใจนะแล้วก็ไปพยายามกดข่มความฟุ้งซ่านเอาไว้แต่เมื่อกดเท่าไหร่พยายามปัดไปเท่าไหร่มันไม่หายมันกลับมามากขึ้นนะก็ยิ่งหงุดหงิดนะ หงุดหงินแล้วก็ยังไม่รู้ตัวนะนะก็ยังไม่รู้ว่าเนี่ยที่เป็นชนะเพราะความอยากก็ไปกดคมมันอีกก็ไม่ได้ผลพยายามเอาชนะมันให้ได้สุดท้ายก็ปวดหัวนะหน้า ม, มืดนะเพราะว่าหายใจไม่ทั่วท้องเพราะว่าขณะที่เรากดพยายามไปห้ามความคิดพยายามไปตัดความคิดเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยมันกลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวคนเราถ้ากลั้นหายใจบ่อยๆกลั้นหายใจทีๆนานๆ น, น, นะเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันเนี่ยมันแน่นอนเลยนะก็ต้องหน้ามืดนะปวดหัวอันนี้เพราะว่าทำในสิ่งที่มันผิดธรรมชาติทำไปเพราะว่าอยากสงบนะไม่ยอมวางไอความอยากนี่ลง ใจมันไปพวงถึงแต่จุดหมายก็คือความสงบความสงบจนลืมไปว่าสิ่งสําคัญกว่าก็คือความรู้ตัวการมีสติในปัจจุบันนะที่ดึงการปฏิบัตินะแนวหลวงป่่เทียนนี่ท่านไม่ได้เน้นเอาความสงบเป็นจุดหมายนะแต่เน้นเรื่องความรู้สึกตัวในเรื่องสตินะจุดหมายเคือนนี้ แต่แม้จุดหมายคือสติคือความรู้สึกตัวถึงเวลาปฏิบัตินะก็ต้องวางนะลืมไป้ะก่อนนะแต่ขอให้มีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องคิดอยากจะให้รู้สึกตัวไม่ต้องคิดอยากให้มีสติแต่ให้ให้มีความรู้สึกตัวลงไปในความอยากที่เป็นแค่ความคิดนะอยากจะมีสติอยากจะมีความรู้สึกตัว น, นั้นเป็นความคิด ให้ทําลงไปเลยนะก็คือให้มีความสึกตัวนะให้มีสติเมื่อนคนที่อยากกินนะนะอยากกินอาหารถ้ามันมีแต่ความอยากนะมัก็ไม่เกิดอะไรขึ้นให้ลงมือทําเลยนะลงมือทําอาหารนะและตอนลงมือทำเนี่ยก็อย่าไปสนใจว่าอาหารมันจะอร่อยไหมให้สนใจจะเพียงว่าทําให้มันดีที่สุดแค่แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวมันออกมาดีเองนะ อันนี้เราเป็นไปตามยถากรรมแล้วนะก็คือเป็นไปตามกรรมกรรมในที่นี้คือความตั้งใจนะแล้วไม่ให้ตั้งใจอย่างเดียวนะทำไปด้วยความความรู้สึกตัวทำอย่างมีสติด้วยตั้งใจแต่ไม่มีสตินะมันก็มันก็มีเหมือนกันนะตั้งใจมากจนไม่มีสติคือทำไปด้วยความอยากอย่างผู้ชายคนที่วาดเนี่ยแกวาดรูปเนี่ย เขียนตัวอนนักษรด้วยความตั้งใจมากเนี่ยมือเลยสั่นเลยนะโดยเพราะเวล า, าจับพู้กันวาดวงกลมนะอันนี้เราว่าทำด้วยใจเกินร้อยนะที่ใจเกินร้อยเพราะว่าไปคิดถึงผลลัพธ์ว่านะจะต้องวาดให้มันสวยนะต้องลืมไปเลยนะลืมไปเลยผลลัพธนะ์ใจเนี่ยอยู่กับสิ่งที่กําลังทํา เรียกว่าเต็มร้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลามาปฏิบัติเนี่ยนะอย่าคิดอย่าให้ปล่อยอย่าปล่อยใจให้มันไปอยู่กับความอยากหรือให้ความอยากมันมาครอบงําจิตใจว่าเนี่ยจะต้องมีสติต้องมีความสงบมีความสุกตัวอย่าไปอยากแต่ให้ลงมือทําเลยอันนี้ดีกว่าเยอะแล้วก็เวลาทําก็ทําด้วยใจเต็มร้อยไม่ไม่เผื่อไม่เผื่อใจไว้กับ ความยากยทาความรู้สึกตัวในแต่ละขณะแต่ละขณะถ้ามันจะเผลอบ้างมันจะหลงไปบ้างก็เป็นธรรมดานะเวลามันฟุ้งเนี่ยนะก็อย่าไปรังเกียจมันที่จริงคำว่าฟุ้งซ่าเนี่ยมันก็เป็นคำที่บ่งบอกถึงอคตินะ เวลาใครบอกว่าโอ๊ยใจยมันฟุ้งซ่านหรือเกิดเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยไม่ชอบความฟุ้งซ่านที่จริงถ้าบอกว่าเออมันลักคิดนะอันนี้เนี่ยอาจจะดีกว่ามันเหมือนกับคนเนี่ยนะเรียกน้ำหลากว่าน้ำท่วมเวลาเคยบอกว่านี่น้ำท่วมเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ชอบแต่คนสมัยก่อนไม่เรียกว่าน้ำท่วมก็เรียกว่าน้ำหลาก นะน้ำหลากเนี่ยคนไทยสมัยก่อนเนี่ยไม่รังเกียจนะเขาก็เพียงแต่ปรับตัวให้อยู่กับน้ำหลากได้ก็คือยกบ้านขึ้นสูงนะแล้วก็แทนที่จะเดินก็ใช้เรือแต่พอสมัยเนี่ยเราเรียกปรากฏการณ์เดียวกันว่าน้ำท่วมเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ชอบมันรถนะไปลำบากแล้วก็มันก็ท่วมบ้านโดยเฉพาะบ้านเนี่ยนะสร้าง เป็นบ้านตึกเป็นบ้านชั้นเดียวบางสองชั้นบางไม่ได้ยกสูงปรากฏการเดียวกันคนสมัยก่อนเรียกน้ำหลากคือเขไม่ได้รังเกียจมันอยู่กับมันได้แต่คนสมัยนี้เรียกว่าน้ําท่วมพ่อไม่ชอบนีในทุนนองเดียวกันนะเวลาเรามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในใจแล้วเราบอกว่าเนี่ยมันความฟุ้งซ่านเนี่ยอันเนี้ย มันแสดงว่าลึกๆเราไม่ชอบแต่เราต้องฝึกนะว่าเนี่ยไอ้ความฟุ้งซ่านหรือความลักคิดเนี่ยมันเป็นธรรมดาเราไม่เรียกวความฟุ้งซ่านเราปฏิบัติเราเลือกวความมันลักคิดมันเผลอคิดไปนะเราไม่ได้รังเกียจมันนะมันมาเพื่อให้เราเรียนรู้นะการเจริญสติการปฏิบัติทำนามตามในายหลวงพ่อเทียนเนี่ยตัวรู้สําคัญมากเลยนะรู้ ทั้งรู้สึกนะรู้สึกยกมือก็รู้สึกหรือว่าทำไปก็รู้สึกตัวนะรวมทั้งเวลามันฟุ้งเวลามันมีความคิดเกิดขึ้นก็รู้นะไม่ว่าจะคิดดีคิดไม่ดีนะก็รู้อย่างเดียวทุกอย่างเนี่ยมีมาให้เรารู้ไม่สงบก็รู้นะ ไม่ใช่ไม่สงบแล้วก็ไปลังเกียดมันไปสู้ลบตบมือกับมันมันเมือกับนักเรียนนะนะนักเรียนเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนที่เก่งนะเขาจะเรียนเพื่อรู้แต่นักเรียนที่ไม่เก่งเขาจะเรียนเพื่อเอาคะแนนคนที่เรียนเพื่อรู้กับคนที่เอาคะแนนนี่นะมันต่างกันเยอะนะคนที่เรียนเพื่อเอาความรู้นี่ถึงแม้สอบไม่ได้คะแนนดีเขาก็ไม่เสียใจเพราะเขาได้ความรู้แล้ว เพียแต่ความรู้ที่เขามีเนี่ยครูไม่ไดเอามาออกข้อสอบนะและถึงแม้ว่าเขาทําโจทย์ไม่ได้เขาก็ได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยเขามีจุดอ่อนตรงนี้นะมีโจทย์หลายข้อเนี่ยโจทย์ร้อยข้อทําผิดไปสัก60ข้อเนี่ยเขาก็ไม่เสียใจนะเขาได้รู้เขารู้ว่าเนี่ยเขายังมีจุดอ่อนตรงนี้เขาก็ไปกลับไปแก้ไขปรับปรุง ทำครั้งต่อไปไอ้ที่เคยผิด60ข้อก็เหลือผิดแค่30มสิบข้ อ, อก็รู้ว่ายังยังฝึกไม่พอก็ไปฝึกใหม่ไปเตรียมใหม่คราวนี้100ข้อเนี่ยก็จะตอบผิดสัก5ข้อหรือว่าเจข้อสําหรับนักเรียนที่เก่งเนี่ยเป็นนักเรียนจริงๆนะคำว่านักแปลว่าแต่ว่าทำบ่อยบ่นะนักเรียนถ้าเป็นนักเรียนจริงๆริเนี่ยเขจะเรียนรู้จากทุกอย่าง ไม่ว่าในตำราไม่ว่าในห้องเรียนเขาจะเรียนรู้จากความสำเร็จและจากความล้มเหลวก็จะเรียนรู้จากความผิดพลาดไม่ได้เรียนรู้จากความถูกต้องเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยดีไปหมดเพราะว่ามันทําให้เขาได้รู้นักปฏิบัติก็เหมือนกับนักเรียนนะนะให้เตือนใจเราอยู่เสมอว่าเราคือนักเรียนนะทุกอย่างเนี่ยมีมาเพื่อให้เรารู้ ความโกรธความหงุดหงิดนะมันมาเพื่อให้เราได้รู้รู้อะไรรู้จักมันนะรู้ว่าอ๋อความโกรธเป็นอย่างนี้นะไอความลักขินเป็นแบบนี้นะความอ่ะเศร้าเป็นอย่างนี้นะมันมาแต่ละทีเนี่ยนะถ้าเราเป็นนักเรียนนักปฏิบัติจริงๆนะมันไม่ขาดทุนนะเราได้เรียนรู้ว่าอ๋อมันมีอาการแบบนี้ มันมาแบบนี้เวลาโกรธนี่มันไม่ได้ทําให้ใจเราร้อนเท่านั้นนะเราสังเกตพบว่าโอ้มันทําให้เราหายหัวใจเต้นเร็วนะตัวเกรง็งนะหน้าหนึ่อของขี้ขมวดนะนี่รู้ล้นะเรารู้แล้วนะเวลาเศร้าเนี่ยนะมันบีบคั้นใจยังไงบ้างเนะี่ยมันมีอาการต่างจากความโกรธยังไงบ้างแล้วมันมีผลต่อกายยังไงบ้างอา่ะรู้ละเวลารู้สึกผิดนะหรือเวลาเรารู้สึก วิตกกังวลนะมันมีผลต่อจิตใจ ย, ยังไงนะมันจะต่างกับความเศร้าและความโกรธนะลองสังเกตดูแล้วเราก็จะรู้ว่าเ อ, อมันมาตอนไหนมันมาเพื่อมันมาทุกครั้งที่เราคิดนะคิดถึงเรื่องอดีตบ้างคิดถึงเรื่องอนาคตบ้างเนะี่ยเรารู้แล้วเนี่ยเราได้ความรู้แล้วนะเพราะฉะนั้นอารมณ์อกุศลที่เราคิดว่ามันทำให้ฟุง้งซ่านมันทำให้จิตใ จ, จไม่สงบที่จริงนะ ถ้าเราเป็นนักเรียนหรือเป็นนักภาวนานักปฏิบัติเนี่ยเราได้ความรู้เยอะเลยนะและทำให้เราเนี่ยสามารถจะรับมือกับมันได้ไอ้ความรู้แบบนี้เนี่ยนะต่อไปเราก็จะรู้ไม่ใช่เพียงแค่ลักษณะอาการของมันการรู้ลักษณะอาการของมันเนี่ยเราเรียกว่าทีละสัญญานะทีละสัญญาคือรู้ลักษณะอาการของอารมณ์ต่างๆที่เราเรียกว่าธรรมารมนะ รวมทั้งลักษณะอาการาต่างๆของเวทนาซึ่งมันทำให้เราเนี่ยถูกมันหลอกได้ยากขึ้นเสียท่ากับมันได้น้อยลงเพราะเรารู้จักหน้าตาของมันและต่อไปเราก็จะรู้ถึงธรรมชาตินิสัยหรือธาตุแท้ของมันว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนให้พวกนี้เนี่ยนะเราต้องเห็นต้องเจอมันนะเราถึงจะรู้จักมัน วันนันการที่มันโผล่มาให้เราเห็นเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่าอารมณ์อกุศลเนี่ยอย่าไปรังเกียจมันนะตั้งท่าหรือตั้งหลักให้ดีว่าเออมันมาเพื่อให้เราเรียนรู้มันมาเพื่อฝึกนะให้เราฉลาดฝึกให้เรามีสติฝึกให้เราเนี่ยไม่พลาดท่าเสียทีกับมันอย่างที่เคยเป็นไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยเวลามันมาเนี่ยเราไม่ค่อยสังเกตนะ เราก็ถกเราปล่อยให้มันครอบงาจิตเลยหงุดหงิดพอหงุดหงิดก็แทนที่จะเห็นมันก็เข้าไปเป็นผู้หงุดหงิดความโกรธพอมันเกิดขึ้นแทนที่จะเห็นมันก็เป็นผู้โกรธนะแม้แต่มาภาวนานะก็ยังเอานิสัยนี้มาก็คือว่าคอยสู้ลบตบมือกับมันแทนที่จะวางจิตวางใจว่าเราเป็นผู้ใยรู้รเราจะเรียนรู้นะอันนี้แหละเป็นบันไดขั้นต้นของวิปัสสนา และถ้ารู้แบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นการรู้ในสิ่งที่กำลังทำเป็นปัจจุบันหรือว่ารู้อารมณ์ที่มากระทบตรงนี้แหละนะมันจะเป็นเรียกว่าบันไดนะไปสู่การรู้ที่ยิ่งใหญ่นะก็คือการตัดสรุ้ท่านติณทา น, นทานพูเอาไวนะบอกว่าเนี่ยวิธีการตัดสรุริ่มแรกก็คือการมีสติไม่ว่าทำอะไรไม่ว่าจะเดินนั่ง หรือกินแล้วท่านย้ำว่าการตัดสรู้ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะมันเกิดจากการรู้หรือตัดสรู้เล็ก ๆ, ก ๆ, ๆน้อยๆในปัจจุบันขณนะะเพราะเนี่ยเวลาเราเจรินสติทําความรู้สึกตัวในแต่ละขณะไม่ว่าจะเดินยกมือหรือว่าอาบน้ําล้างหน้าเนี่ยอันนี้แหละนะมันจะเป็นการรู้ทีละนิดทีละนิดทีละนิ ด, ท, นดที่จะนําไปสู่การตัดสรู้ที่ยิ่งใหญ่นะที่พรพุทธเจ้าได้ ได้ทําให้แจ้งขึ้นมาช่อนอยู่ ก, กันเท่านี้นะครับครับ